นักปฏิบัติผู้จกามีซองแหงถึงแมว่ามีเทไรแหงก็แม้หัวใจหันละจิงยุอันขันอันใดก็มออให้ใจเมื่อหมอหาใจเมื่อกระือคยื่หังว่าถึกใจที่มีกิเลสยุ่หมอมหายมันเมืก็ะ่าดขึ้นก่อนนั่นแหละกรอว่าผลในหม้อมึงธรรมะคือเกา มหม้อหายใจได้รุนรุน่นโซดาบันมบหม้อหายกบพี่จะน่าถือโหลดบ่พิษเหลือดัองนั้นอันนี้นก็มหม้อหายใจมใหม้อหายใจมัะใจที่มันมีกิเลสลายเลยมันก็ดึงดูดไปทั้งทั้งพิษคือกันเนี่ยมออองศาอารมณว่าใจที่มันเข้าใจพิษ น, นี่อันนี้คือใจอันนี้นก็ใจมัดล ง, ล ง, ล ง, ลงดรุ่รวมใจบดไปทั้งจิงยู่ใจที่มีกิเลสลาย น, นี้แหะสิ่งที่ตึงได้ละคน มันก็จเป็นตอนนี้ยังเวีนทำคำสอนของพระองค์เจ้าดิสัมกอกแม่คู่บาอาจารย์มาเทศเท่าเพิ่นคือจะเอามาจะสีเพิน่นก็เอามาจากคำสอนของภพทุเจ้าคนเนี้ยมันเพิ่นที่ประเสริฐของพระภพทธเจ้ามันจังไรก็ได้คืดบึ่งสันวะมันเป็นตรรมกง่ายอันนี้ใจเป็นไงใจเป็นไงนะคิเรื่อใจเป็นไงนนใ่ไหมอย่างไงี้ เออผู้มีกหลายเนี่ย น, นี่ก็มอบห้ยตะมันมอบห้ตะมันดึงไปเข่าข้างมันขึ้นก่นกนอนเนี่ยบอกข อ, องสันอรรถเหตุจึงสันจึงยังยงเวนอยู่ขั้าซีวอกจึงสันคล้ายกับว่าค้าสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีคาพระพุทธเจ้างูสอนไปให้ยัางเขาหูงจักเองเขาเขาขีหมอบลูกไก่เขาดอกวาทน พวกปะคีลักเขาโมยสกุกสิเขาก็หมอบต้งใจเขาคือกันเทวางเลยใจเข้าผ้าไใอพอกเตกกะต่อรอดซิกามุน่นเขาก็หมอบตองใส่ใจเขาคือกัน่ใจผ้าไปผ้าเฮ็ดใจทเทวมีขอบเขตใจเทวมีชินมีถ้ำเป็นแหวนแวนซ่องท่างก็คือค้ำสอนพระพุทธเจ้านัเองเป็นแหวนซ่องซ่องท่าง มีกายมวาีว่าจาวิจัยเข้านอมเข้ามามีทั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเหวนซองทาง่าแหวนดวงใจก็อันเดียวกันท่านสินภาวนาสินสมาธิปัญญากับแหนดวงใจฮะหลกกวงกูฏหลวงมันผ่านแหวนบาปใจได้คัน ตามูเบิงตู้บริจาก็บืมีลุงปูมันลงปูมหายังถือต่ำอยู่อันนี้แต่เพื่นหั่บปากอย่างต้อกระเทือนบวถือเพ่อนบัเห็ดเพ่อนกับบัเห็ดที่ซื้อเพื่อนหั่บัปากลุงปูมหาบัมีลุงปูดังคือบัมีลุงปูบวายผู้ตายไปยานบอกยานที่ท่องคือบัมีตู้บริจากบืมี ตีต้นนี้อยู่องศาแล้วเดือนนี้โมมีเอานี้และเอ อ, อ, เรอ ด, ดอเอรเศซาตีผมไม่ได้หวังจะให้ทําอย่างนี้ทําแล้วก็แล้วไปไม่ให้เอาตู้บริจาคมาลาไรผมไม่ได้มุ่งปรารถนาจะทําอย่างนี้ดเรเศซาตีเตียนหลวงปู่มหากตีเตียน ไ้พกันเอานี้แต่ว่าผมไปเห็นห้องท่านมันมีบเนี่ผมห่างถ้ำทาวเห็นผมไว้สิถ่วงเดี๋ยถ่วงตายยา้วานผมไปเห็นห้องท่ามันมีถายไปตังเยองค์มันมีกับองค์ศิลามีตงไหมพ่อนอะไ ในเรื่องอารมณ์ก็ได้ยิ่งขึ้นลังมันผิดพลาดมากเกือบจะไม่ยังยังจุมิดผลบวรับโยมไว้จำสินในวัด บ่หลับโยมหัวดำไหวจำศีลในวัดไปจำศีลเข้าขันสายหอดตัะเละหอดฝนยุคบรงพือยุคบองพือเป็นยุคสุดท้ายเว่นไหวแต่โยมภูมากระผะเรือลูกหลานว่ดสัมบายเรื่มาเบิงหัวลูกหัวหลานหรือมาเบิงน่องไส้ว่ดสัมบายแล้ ว, ลวลล เ, ลเป็นผู้ที่คุนเชื่องกับพนอีกด้วย จังยอมนอนในวัดเพิ่นได้รับบวชสามเดือนกั บ, บ่มีในปฏิปทาของหลวงพู่มันใช่ไหม่ะเขากับบกาไปขอบวชน้ำพึนพวกคู่กับบ่มาบวชน้เพึนเพราะกาเขาว่าถึงเผ่ากาเขาาถึงส่วนเงินส่วนข้ามสิเอาไมา่ในที่ทั้งชีกับบกา อันนี้จะถวายหลวงปู่ไว้ถ้าสางแสบมือใครกล่าวว่าการที่ผูกมัดหลวงปู่ให้สางแลงอันนั้นนี่บ่มีใ้เขาบ่มีในหลวงปู่อีกไม่ที่สางที่แลงคนเห็นขวงวัดขวงวา่าเยอะดนหายที่สุด ฟ่อเฮ็ดฟ่อทำไม่เหล้วมาเออยู่ยุก <c oughs> อยู่บ้านหัวไส้หลวงปู่มาหากล่ทรับเก่งที่สุดนี่ก็ได้ห้ให้มือโต <c oughs> เพิ่นให้โตพระเฮ็ดบ่มซีนวยโตเพิ่นบ้าบ้าห่านกบยังเป็นห่านเลยอยู่ ไค้มาเขมาเห็นไครมาเขมาเห็นไค้มากขมาเห็นคือ้อานักกอนักสามทิบมากาปุ่มหา ผู้ใหญ่ในปัจจุบันหลวงปู่มหาสืบได้ไว้กวัวมูขอวัดของหลวงปู่มันกิ๊กกิ๊กพิษกับหลวงปู่มันแต่แขกง่อมลายากนันน่ะหลวงปู่มหาพอเขาเหาก็ตื่นนี่ตะกี้เขาบวกระตุนนี่อย่ารังสรรค ลุงปู่มันก็บ่าท่านมีคาได้ท่าไห่ลุงปู่มันเขาก็มายมีคาวังเพนนิพานมีคาลายมีคาทางนอกมัน่วนทางหนง้ของเพลนมีคายุทธพัน์ไหลอยู่ทางหน้าของเพลนเขาก็มาตื่นกันวังเพลน น, นิพานเลยตื่นกันลายขึ้นลายขึ้นลายขึ้นเท่าไห่กันตื่นเยอะรอกนิยเบิ้งทางหลัง ที่เห็นกับตาพี่ยกนหน้ากับใจนู้ไก่กันลิฟท์แถวๆมัแต่ส่วนถือดงขวัดหลวงปู่มหาเก่งก็หลวงปู่มันเก่งกว่า หมายถึงตอนที่เข้ามาวัดว่าผ้าอเน้นนําสรงเสริมว่าไฮดรุสีหลับหลวงปู่วรรณไว้จำกัดอะไรหลวงปู่วรรพูดเป็นแต่เพียงว่าข้าไปบินธบาตมาได้ไม่แก่กันในวัดกลาว่าพิดดอกดมุ่งพออาถระเขาไปแก่กันจะเข้าใ้ไปแก่กันข้างพระเจ้าเพิ่งจะให้ พระกุหลนท่นยะวัปปะพัิยมหานามะอั์อชิคไปบินธบาตให้เขาว่ามันติเฝ้าบริขารเพื่นกันไม่แก่กันเปลี่ยนกันมเมื่อสมัยจเจริญขึ้นมาแล้วกมีกุฏิวิหารดีแล้วกับว่าได้เฝ้าันใดประจันเพิ่งว่าน่ยส่วน เรื่องข่าพันศาหลวงปู่มันเทศได้่าเรื่องทวดองขวัตสิตปฏิบัติยังไงเขาน่อยทวดองขวัตในขคอสันบินทบาทนี่ไไนเลยหลวงปู่มหาตาบเรียนปู่ไนเด๊บ้าไว้เว้สันขณะที่ตังคตตังเ ก, กินกระบ่กมันเนี่ตั้งก็เอาเจ่ผู้ประสงค์นัน่นสถิตสัน คนวังสิแต่ ผ, แตผู้ประสงค์อยากเหตุอยากท่ามันเถอะกว่าฉันแล้วแต่ผู้ประสงค์มันเถอะก็ส่วนฉันในบาทเท่ากามีแล้วส่วนเวนทบาทเป็นวัดเท่ากามีแล้วส่วนเอกาสนังสนิกรังขะสันคนเดียวเท่าก็มีแล้วส่วนเผาวังสกุลเท่ากามีแล้ว ที่ได้มาเนี่ยก็พอค่อยได้รับผาค้ามือจกอันมิตรบังสกุลเป็นซ่วนมา ก, กว่าช่เดี๋ยวนีวนปลาเป็นวัดเท่ากับได้แล้วว่าใช่แต่ว่าสมุนปบปในราวัลน้ำผึมีสิแปดเสนก็พ่อยีผาสิบแปดเสกบอะดรสมุน บ, บนาวัน้ำผแปดเสอันนี้ยีิา พ, อ, พอดีนี่ยยีิาต๊กนี่ ตกละลงังลองสันคืน่าหอดผมมันเป็นยี่สกยี่สิบเก็ดกุฏ น, นจอนดขอหายที่แปดสามทิพแต่ว่าวัดนั้นมันได้ติมพูมิวัดผู้เชียวมัน ก, ก็ได้พุดวัดบรเลายัางมาท่านใดบรเลาเพราะมันบมพ่อยีหาเศน <laughs> ยังได้หายหอบออ <laughs> แต่ว่าเอกา น, นิเอกาสนิกังขะได้อยู่สันหนเดียวนี่สันหนเดียวนางอัศนะเดียวเขามานางอัศนาเดียวนี่ยไม่ขั้วมาจากไหนถิงป่วยก็บรยอมกินสองข้งเรียกว่านางอัศนาเดียว นี่ก็มีอยู่สองคนถือขอม่าวัดนะบรับมททนนทบีท่านประยุ่นกับเนี่ยหน่อยอ้าส่วนเนี่ยหน่อยไปทั้งเฮาเละบวางตายละเอาจะใส่ให้ยูส่วนท่านประยุ่นเฮาเป็นห่วงอยู่จกว่าได้กินหยัง่งไม่รู้กับเจ้าะกทิม่ามันบ่ท่านดิเรื่องไหน แน่มันก็เป็นเครื่องกัดกัดเก่ากี่ดีน่ะเรียงธูดงนี่ก็ได้เพราะมันหายห่วงมันหมดหวังไอ้วันเอาะผมถือทูดงหลวงปู่มหาภาคเอายางเข็มแข็งอะ้อยู่ในหลวงปู่วั แต่พอคอยได้ถืออางแต่อาจารย์ทองค่ำกับอาจารย์วันเพราคนอยากกุ๊กกิ๊กเขามาแล้วในวัดบรับแต่เพิ่นกับพวกใครรับดอกโอ้ยผมลงตูตุนลงปูมหาข้าวอยู่วันองพื้นโตขององค์ท่านก็ถือทูดงคือ ก, กันรัดเสบาหมูโอ้ยมันแห่งเป็นดินเพียงมันพันรัดไง มันโดินกอกแก๊แกคือเหานี่เอเพิ่นเพิ่นเราผูกมัดไรบูไปเทศโตเอาคันไพบูไปอย ก, อ ก, กว่าบเขารบผมวะนี่ขันไพวถ า, าผมอยกว่าบอเขาลบคองท่านผมเพราะว่าเนี่เ <c oughs> <c oughs> พิ่นผูกมัดท่าเนี่ยจาเป็นต้องในยืนเห่าเ่ราะอยากยืนยันเพิ่นไม่ได้กินฝ้า อ, อไปฉะนั้นผมนผู้ทบาดเพิ่นสมัยนั้นอย่างเท้าขําอันนีพออุดทาบาดหลวงปูมัน ประจำ เ, เท้าผมหลักอกหมูของผมใส่แต่อวัดขาวัดผุดห้างเท้าผมก็เลยมือละมกนี่ว่ไหมห้างเท้ากับห้างเทยากับวัดอะไรวันหนึองว่ะม่วนอันนี้ไปมือหนึ ง, งินโยมน้องค่ายมากโยมน้องค่ายมากโยมบุญหล่อมากมากใส่บาทพวกขไข่ซาบเปไหมนีเ่เข า, เาขนมปัง ขนาดโบลาก็อนดไช่ซ้ำนีน่คนนุ่มปวดมือขอนมฝังเนวนี่ไส่ซ้ำนี่พ่อเขาขนมปังโต๊ลร่อ ง, ง, องแทบบาทแล้วเอาแล้วว่ดเลยไอไข่เศ้าไหมโอ้โนั่นหอดวัดเห็นกูสมอยากเห็น <c oughs> ะสั่นมาหอดเครืงบ้านเั็นยักษมีไมึง่าสั่นมึงมีเก่งปัญญาสั่นกันเลยออกมาวิทย์วัด ใช่ให้ท่านอ้วนซาซ า, า, าลามนามันหลวงผู้ฟันเอาประเทศมูอยู่ห <c oughs> ลวงผู้ฟันหัวจักเลยหลวงผู้ฝันเนี่ยประเทศมูอยู่ <c oughs> มีหลายเถื่ออยู่อ่พี่พ่มันพี่พ่อไข่เด้อปีที่แลกออกปฏิบัติที่แลกซื้อธู ด, ดงขามาวัดแล้วบวบ เมื่อตผ่านสาประชันขันแข่งกันไผ่เฮ็ดเขาเหลืออยู่ในบ้านหลายก็ถือผู้นั้นบวงจักประมาณผืนเด้เอากันปีน้องน้ำเข้มต้องเหลือซ้ำนี่เขาได้เหลือซ้ำนี่อาหารกับเหลือซ้ำผู้มือนี่ อเทียกับว่ให้เลือกข้ามมาสันขอดบาดไม้คว่ำมาเข่าบ่พ่อขํามมันจะไปกินรูปพันรูปนี้เขาข่าพ่อขํามมไปสันจะเรียกว่าบ่ไม่สันคอดบาดเข่าบ่พ่อขําไปรูปพันรูปนี้เรียกว่าสันคอดบาดที่ครูบาอาจารย์เพิ่อนบอกว่าคอดกอดจะให้เพื่อนเอามาให้มันบอกมีอะไรเนาะมาตีพิษคว่ำพิษขอดกอดเอาสันผ่าเขาบอกให้เขามารับหรอกเขาบอกเขามารับนะเขาบอรับเขาจะให้ในเจ้าขุดมือเจ้าอ่อนเหยียดมือเนี่ย เออมาชัดแล้วห้องก็บว่สงสัยแม่แม่ท่านบอกข่าว่าพอคั่จะไปตอบมากินนะมึงคือฉันขวัญบาทอันนี้เถื่อนกูนี่ห้านาเ than, มื่อะไรันขาวกับน้ำใหม่นอนนึงผมห้านาหมื่อะไรันขาวกับนนํำอ่อยก่อนนึ่งทองชีด รันเขากับน้องใหม่มันบวมมีบักพริกมันบวมมีประเดี <c oughs> เอ๋อเพอออสบวยำจากเรกลราหวานจากแถวเว้ยต้องหามมันนุ่มยู่ได้อายุขันสามสิบป่อเออมันขันสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบยังซื้อเนี่ยหวานลงผ้ า, า, า, าๆๆๆว า, ว น, า, น, าน่าเดินในกๆๆๆลมมันสุติมันวันเวืองเวืองเวืองเดียวผ้าวน่าน้อยเดียวั้องกิดลงพึ่งเพโรเปียววันสามมือซสี่มือนจังประเทศไทยสามมือซี่มือยไไังปรทศไทย สามหมือสี่มือนยังไปถ่ายลกทองผูกของพวแหงยังสเสมอนี้ย้ยามันขึ้นมากค่ะยญ้ามันเว่นมากเอานะเฮาลุงปูมิ่งปูผมไปตอกมาชีฟันพถ่าห้อยเนียผมทลาคุณว่าคุณบอกว่าอยากผลทุกไปตอกไม้ชีฟั น, นมันเสียเวลาว ยื้น้ำเข้าอนี่เข้าเพราะว่าละหน้ามาแล้วเบ้อุึดบ้อยากที่มาเอาไปใส่นี่ซักให้รวดอือผู้เฒ่าเนี่ยไปเฮ็ดเมให้เดินอยกผมพ่อว า, านาเจ้าคุณถ้าไม่เกยดีนับถือปนยัญญงหลวงปู่เหอือนเออน้ารเข้มสมัยนั้นอายุเกีดสิบสองแล้วพันสาสิบเกียดสมัยนั้นผู้เฒ่าอายุเกียดสิบสองแลพันสาสิบเกีดสมัยนั้น แข้งแห้งก็ผมนี่ส่องแข้งแห้งก็ผมสืมือนี่ยเดี๋ยวนี้มวัดมือนะพุทธาเนี่ยมันเว้นฉันข้ามาเลยเหล้ ว, วบางแต่บนนอนีนูสนเนทาอ่ะเออดวงไปเดินอยู่กลมนะจ๊ะจะไปไก่มันหลายกุฏิมันอย่างนอ น, นี่สุนทาอ่ะ เพราะกเอาไปสั้นขันแข่งกันนี้นี่ปีนั้นพราสันยังหันแรกอ่เพ่นเพนเพลนเพ่นเพ่นเพ่นจังขนนอนจังขืนพักพักบ่ให้นับพักบื่อเดียวเท่านั้นบ่ให้ับขันับกังขืนแน่แล้วชั่วโมงหนึ่งได้แล้วกเว้นบ่ให้นับ อ, อง์นึงสมามราท่านบ่นอนเก็มือว่าเหนงหนึง่งบ่นอนเก็มือได้เอาไเอามามือชี้มือหาดูหัวเสียหัวเพียผมยโมงทุกขก็เสารใมตืนอนแต่ห้องผมปดหวัวอยู่ผมไปจอบม <laughs> ผมน่ยว่าผมบ่มกเอาดอกเก็มือว่า เอาแต่สีใดท่าใดาไหววะซัดได้สหมื่นอยัยงเ่อวันก็หมูอูโโอค้คูเดียวตบ่ไหลดีดิบบนบอยจากพี่ชนะยังอีพอีเมยเอ้ยเงานอนเนี่ยงกขันงกงกขันงกมีโ <c oughs> ย่บอยจากพี่ชนะยังห่วยบ่ถือกับถาดเดียวดีว่าฉันเลยเศ้าส่วนอาหารเนี่ยพอนออกว่ะจะ เอาอยู่สามสิบสันมือสซำกันปันนี่แ่ะลหลมื่นขอบผมีอาหารจังหวามาแล้วนะจนตลอดออกหอบพาษามึงมันเบาวะฉันยงมขึ้นมาบ่าถึงเทียงขึ้นบ่ย่อขึ้นกุตีเลยบ่าตายหอดไฟเลยนุ ก, กมโซ่ตายมู่กระบ่ามันจังไรป่ะเมาถึงขาดตายเุ้ยเยบะว้ยละมูกระบาไล่แตะๆมูกระบา มันเป็นดงป้าแหนป้าแหนไก่ทงไก่ทงหน้าเขาเขียนบักน้ำน้อยๆนะั่นเต็มผัดเผทดผัดเผ็ัดดย่านั้นเดินวันปัสตา์ไปบัวลว่างตรงตร ง, ตรงถือไ ต, ต่เบ็ด ไล่สมาธาบ๊สูปยาเ น, นี่ปีนั้นทิมเลยบอ๊อสุคู่ผสมกับบสุโรคปลาแล้วพี่จหน้าพุโทโธเดนกลุมพร้อมกับเก่าบาดยางติ่งเมื่ไหงจักวดขาา่หยบดิ่งกับหงจักขาใสาข่าขาคู่อ้อหงจักพร้อ ม, มือนกับพุโทโธติ่ ง, นนงมื่อไงหงจักวัด จิตพี่เจนาในกองจากพอมกันมัดไล่ขามันออกมาพุดนหมืนกับว่าไปว่าไปมันม่จากไปเลยมันมาเป็นห่วงท่านจะออกนอกอยู่กับอิริยาบถท่านอันนี้คิดร่วมนี่สื่อมันคิดเขาพระวังคิดเขาพระวังมันต้องอยู่มันเดินอยู่นี่มันร่วมนสื่อมันรวมอยกับประธานที่ตั้งไปกัไปกลับมาแล้วพี่เจนาอนิจจัง เหล่พี่เจะหน้าทุกขังเห็นในคณะเดียวกันกับผอมขาทกกสายทกกัวขณะจิตพออบปิวังวังวังวังงอยู่พากดว่าว่าด้เหยียบขี้ดินเลยคืนว่าอะไรมาพี่เจะา น, น่าตอไพราเที่ยงคื น, นพี่เจะา น, น่าตอเลยบ่วนางคัดสมาธิ ไอ้น้องพับเพียบพับเพียบแบบนี้นะฮะ ห, หน้าไปต็ตะบันออกกําหนดลม่มพร้อมกับอันนี้จังพร้อมกับควบเกิดความดับยูน้ำกันอร่อตรงกระเทีย่ยวกับทงหมากมงออกขุนบอล โอ้ลิมิตอันนี้ก็มีคือกันแล้วครับพี่ชนะลายมั่งมันมันก็เลยกลายเป็นช่านที่ทั้งพี่ชนะทุกครั้งนี้จากอณาตากะตามเท่าพี่ชนาเพ่งจับลายแล้วมันกลายเป็นช่านคือกันกลายเป็นช่านคือกันหูกุฏีหูมัดทิบนี่ปีนักคู่ผสมหนึ่งนั่งสูบหยาบเมาเมอยู่นี่ไง อันบ้นสูบยานอุ ป, ปมาคือสูบยาอยู่ในอันเป่าตะเกียงละอุ ป, ปมาอันในใสตะเกียงจับพ ย, ยุ่นหม่าหมาวเยพเืเอพวกหมาวเพราะสูบยาหมาสูบย า, ปป า, าเ้ยผีใบตัวภาวนาไ่ตอบเจ้ากร่างท่านโดนเอาสามชิ้นที่หายไปหายบาดนี่สิ ที่นะ่ติดต่อกันไปอีกมองคนอีกบา ล, ลนุนกุตีขาดจางปังบหมืนผาหยืดมาอยู่ดกุตีเล่าแล้กกลายเป็นธรรมผาหยืนผาทั้งข้าผาบาผ์าทั้งข้าผาบาหมผ้ายางเรียบผ้ายา่ำเบื้อคขัว ว่าเท่ๆยุกยิกว่าเดี๋ยวนึงว่าจะหาแลท้ที่หายพัดเป็เลือกใหม่ไปอีกป่ะเดือดลอยกูเสียเองขังลงนอนกันเนาะเมล่านอนก็บให้ลื ม, มบอ้ลืมอันที่เพ่งอยู่ น, น่นตอนเย็นบ้านนี่นนกำหนดเวลาทีนอนก็บอกก็บอกให้มันออกติตดต่อกันดูนิดเตะนิดเตะนิดเส่ที่แค่ไนของกอานะเตียงนอนหึงผ้าหานึงกึ่งทึงเมฆพุ่น ไเดี๋ยวเถียงที่นอนอยู่นะ่นเตียงกระสุงเพียงนี้เตียงฝากพุดโต๊กวัดพุ่ที่สมพรพุ่นโต๊วัดพุ่ที่สมพรนเนี่ย โ, โอกาสก็พาเท่ละ ก็ผมขอโอกาสในธรรมะอันไรอันหนึ่งเล็กน้อยผลเก็ตรปั่นพอว่วาสั้นเ่ยก็ต้นก็เยียบพุ่เยียบบนแน่นยอยย้เปินหัวลงมาต้นก็ติดอยู่ ตีนนี่ติดแล้วแนงเป็นบาดเป็นบาดเป็นบาดเป็นบาดกาวไปพาชั้งข่าเลียบอยู่เท่นีที่ปกลงมาสิวะป๊กพากระเทียนที่ติดเช่นแอลกับพวกเชียนเลียบๆอยู่คือหองยางกิดินนี่ออกจากหันแล้วสอพัดมันที่เป็นไป อันมัน่นนี่ผมผ่านมาแต่พรรษาที่หนึ่งคุณมันก็ได้เท่านั้นแหละแต่ห่า ง, ง, งเป็นของแปดแต่เท่านั้นมันเท่านั้นแหละท่านผิวมันเท่านั้ออ่ามันปัญญ์ ถ้าในบางข้าวหอไปทางนอกในี่ทะลุเลยผู้เขาสอดจังปองบางข้าวเห็นอานนี้สิเพ่นพุนปรกากฏว่า ม, มันเป็นเพออาว่น่าเพ่นพุน บาทหนึ่งพุดบาทหนึ่งท่กระเต้นพอมึงเล็บปลดพูดทีบใด้วปุ๊ประตกลงขามหนามหาสมุททะเลไปลงกับพยุ่งลงเป็ีนเน็ตอะเพืเน่นพยุ่งค่อยเบาๆลงเป็ี่ยนเน็ตขึนนุ่นจับเรื่องอะไรฮะเตียวหอขวมเหวนี่เรื่องโมนี่เรื่องอุปจารสมาธิด้วนี่ย มันเป็นเรื่องเนี่ยอื่นดิเหตุนั้นฉันค้นภาวน่าไปตกคันท่าไปแก้มันบ่ออกเลยครันค้นภาวน่าไปตกคันแล้วแก้มับ่ออกเลยเฮ้ยตัวใดเจ้าเขาบอกว่าเร้าเปล่นคือเพื่อนเสนอเขาเที่ยงนิดใหญ่เองนาะเขาบอล้มลงง่ายๆเขาเห็นโทษนะหันเขาจังว่างได้วัน่ะผู้ได้ว่าเห็นโทษเนี่ยอัไรกลายเป็นบ่าพเลยล่ะเรื่องเนี่ยมองของฉันอารถว่า เออมานยิเมียนจนเออพ้นได้เท yes> right. uh ี่ยหอคือไปทั้งอากาศไปตีร่างกาปีนึ่งบูมวนน้ำนิมิตนวนเถาะตีร่างกาวุ่นวุ่อยู่เทิงพุ่นเดินุกกมอยู่เทั่งอากาศพุ่นอีกนนอนตะแชีงขะขวยอยู่เทิ่งอากาศพุ่นอีกช้าล้วัดมัญจิบป็นไปปีนขว่มปีนงายโรดพ้นแท้ ได้ซ้ำนั่นละ อ, อ, อำนาจของอุปจารสมาธิสู้พิจาน่าอันนีจังทุกครั้งอนัตตาบ่าได้สู้พิจาน่าเงียกเงะบ่ได้ได้ปัญญาอันนี้และเห่ากระซิ่งควมสงสัยต่อยเป็นต้นตอนอันนั้นได้ลดได้ศาสตร์ซ้ำหนัก ต้องแงะแง่ออกผุกขันพี่แกหน้ากายก็ได้ยแงกผมแงกขนแงกเล็บแงกฟันแงกออกเป็นถาดที่ดินหนามแฟร์ลมแงกแง่ออกซับซ้อยออกหยกสู่อันนี้จังทุกครั้งอนาตาผอมกับลมเข่าลมออกก็ดีหรือผอมกันกับแยกแงะตะกอนหน้กายก็ดีอ ทนี่ลูกก็จริงยูพ่อลูกเวทนาก็จริงยูพ่อเวทนาสัญญาก็จริงยูพ่อสัญญาค่วมจําสังขานก็จริงยูพ่อสังขานวิญญาณก็จริงยูพ่อวิญญาณท้าในเรยว่ามันไผเป็นไผ่ให้สิ่งมือนั่นลูกก็บ่รได้เป็นไผ่กับเวทนาเวทนาก็บ่รได้เป็นไผ่กับสัญญาสังขานวินญาณตางโค่นตางเป็นจริงในทา้งเกิดทั้งดับทั้งแป๋ทังป่วนท้องไฟท้องมันอยู่จังสัตว์ที่นี่ สูแนวนี้เ่ราะอะไรหรือสิพี่จะหน้าหน่อยเขามากก็นั่นให้เห็นพผอมอยู่กับลมหายใจเข่าออกให้เห็นพผอมอยู่กับขณาคิตหเห็นตามจริงว่ามันซักมันมันบุคคลผอมอยู่ขณะคิดเป็นได้ซักว่าลูกเป็นที่ซักว่าเห็นอยู่วันนี้ได้กําลังอันนี้ในกําลังกิดใจ และหายความสงสัยอีกด้วยหายความสงสัยในปัญหาทั้งหลายที่สีมาสอดแทรกเข้าหายห้าบวกความสงสัยในพระพุทธศาสนาบวกหายหาอสงสัยในศาสตร์ในภพบ่บมีอันนี้ อันนี้ดีอันนี้นี่ใชข้าผมอมันนี่ใชขง้ขงมูจกักติเป็นยังไรมันแปตามนี่ใชข้าพายขอามัน <c oughs> แล้วเฮามีค้วมประสงค์ยั้งเป็นเจ้าหัวใจพขาต้องถามเฮาตอบเ้าให้มันได้ <c oughs> เาเป็นกรรมฐานหรือกรรมฐานกต็ตอพ่อให้มันได้เราประพฤติพิมาจันเพื่อล่วงโลกพ่อได้กินไดขี่ไปทั้งท่าตายบอกว่าก็ให้ต่อพ่อได้หรือว่าเป็นเจ้าสั่ว์ก็ให้ต่อพอได้หอบค่ายค่วปฏิบัต จากพระพุทธธประสงค์ยังไงกัให้ตอบข้าใดข้าว่าค่ายยังไงกัให้ตอบข้าไดมันาค่ายาค่ายด้วยวิธีใดกให้ตอบข้าใดมันบ่ค่ายบ่ค่ายด้วยวิธีใดกัให้ตอบข้าใดขันเว่าวเขามาหาปฏิบัติแล้วมันว่าไม่ลายได้ขันว่านําปริญญาท่านกับบ่เหมือนแล้วเมื่อเปลีเนี่ย เพราะมันมีลายกันเขาว่ามหาปฏิบัติกับกรรมฐ า, านน้องไฟเคยพี่เจนาอยู่ในกระตองพี่เจนาเติดต่อกันพาวิตารงฟองรีกระต า, า, ตาอยู่ยังสัตอ์เหตุให้มันมากที่ข้าฟั่งนะ่ย่ยบายหลายๆเพื่อห้าเดินทางไปพ่อห้าวซิบว่าได้สงสัยวายังสัตย์ชื่อดก การเทศมันเทศล่วงหนาปฏิบัติบ่ถึงกับนี่นเทศบนรเทาปฏิบัติถึงมาแล้วล่วงมาแล้วก็มนีถึงจังไรก็าตามวาดไพวัดมัน่นห่างเหวนกกดเฮาเคยในย่อนกรรมฐานอันไหนสิ่งว่มสงสัยย่อนกรรมฐานอันไหนกิเลสมันเบาย่อนกรรมฐานอันไหนมันบ่มารบกวนด้วยกรรมฐานอันไหนเฮาก็ต้องเอาของเฮาหัน คือกินเข่าคือกันเห็นเพลิอนอิ่มง่ายก็ไปอิ่มง่ายน้าเพลินเห็นเพลินน่านอิ่มก็ไปน่าอิ่มน้าเพลินมันกับวัตถุเขากินพ่อท่อใดซ้ำไหลมันจังภาวนาไดข่วงเขานั่งท่อใดเขานอนเท่อใดเข้าปฏิบัติซําใดเข้าจังใดข่วงไมนภาวนาเข้าเข า, เขาจังเป็นทีเหยียดเย็นจิตท้องเขา่า ก็จับเจ้าของให้มนได้เพื่อที่จวออกใส่เด้ไหวจังสัตว์นั่นโยวไหวแต่ละอย่างเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนไหวที่กวบาอาการทรงสังสอนไหวมันก็เป็นเรื่องคดเก่ากิลิทั้งนั้นละ่ะะอื แต่ว่าเมื่อห้าพิกใส่ว่าเป็นมันทังห่อหนอมไปทั้งบะแมนมันทังเป็นเครื่องบำรุงกิเลส ซ, อ ซ, อซือวัดใหญ่ซีกีว่านบินทวาดเสนาธนะมันมีหน่อยมีหลายกับเพื่อมาปฏิบัติเพื่อบรนเท่ากิเลสเท่านั้นมีความหมายเท่านั้น ขันว่มันวบันเท่ากีเรตหรมีหลายกับว่าเป็นประโยชน์มีน้อยก็บว่าเป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์กับเฮาแต่มันเป็นประโยชน์กับเพื่นกับเพิ่นกับผู้เพิ่นใดมันเป็นกับประโยชน์กับเฮาของเพนทุกเป็นเจ้าหัวใจของเฮาอยู่ หวังสิหวังกับไผ่หวังกับสติปัญญาของเฮ้านี่ลหละเท่าที่เฮ่าพี่จะหน้าได้กับผู้อื่นเพิ่นกะแนะนํำพร้อมสอนครูบาอาจารย์ก็ได้หรือคาสอนพระพุทธเจ้าเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเพียงว่าชี้ทางให้ท่านสี่จนเมื่อขาดกันห้ า, าม่ปฏิบัติตามกะเท่าเก่าละ ขันทีเอาแท้ๆโลกอันนี้มันมีบนเพิงขันว่าเพิงบนลดรุดผลของเฮ้าม่นมีบนเพิงเป็นกเกษมเข้ามารุดผลรุดผลจากความสงสัยนั่นเป็นรุดผลชนิดนึงรุดผลจากกีเลสไปเทอะไเรียกกระหน่อยบวกรับคืน้นอันนั่นก็เป็นรุดผลอันนึงรุดผลโดยองค์ซ่าน หรือกำลังพี่กหน้าอยมันรุดมันพลไปมันเป็นชีหน้าทับหยาอันนั้นกับเป็นรุดพลอันหนึง่งเมีนจังไดก็ยังดีก็ห้อบรเหบทบทำอยู่ดีก็สิทธานอนตายให้เขาเหยียบย่ำทาเดียวนับสิบบุลุกพือลุกกับลุกสู้เหยบนับสิบุลุกบัเอา ว่ายามีเทวปุริสูเป็นผู้ท้ายภาคเพี้ยนลํำไปเพี้ยนบ่อยากมาเกิดบ่อยากมาแก่บ่อยากมาเก็บบ่อ ย, บอยากมาตายในวาระสงสารอันนี้พอเห็นชัดแล้วว่ายไัยตัวได้ กิดแก้เก็บตายก็เห็นเต็มภู่มวิญญาณพัดผักก็เห็นเต็มภูมิควมปาถนาก็าเห็นสมวังก็เห็นเต็มภูมิควมลุกข่ ว, ว, วมโกรธค่วมหลงที่มีในคันท้าชันดานก็เห็นเต็มพูม่มได้ประโยชน์ียั่งแง่บ่ได้ประโยชน์ยั่งแน่ ก, นก็เห็นเต็มภู่ม นักเสี่งยงภตัวภัยฮะ น, นตัวบ่ออะไรเห็นนํากันทุกคนพอมีอยู่สุคนเนี่ผู้พ่นพ่นไปแล้วกับตัวพ่นบ่ออะไรพ่นกับพ่นอีรีผู้บริหันพ่นกับทีมาตัวกับบ่ออะไรกับบ่อพ่นอีรีเด้อห ม, ม, มองสั่จิตัวที่ไหนตัวกับตัวจะคล้องห้องเก่าหฮนแล้วห้องเก่าคองของจากก้ากูว มันบ่หลายมันหน่อยลงมาแล้วปัญหาของมูเฮาหน่อยลงมาแล้วคนเทาพี่แกน่าซัดแล้วว่มีแน่ใดพ่อศิมาเป็นเจ้าห้อยใจใดพ่อศิโลกเออยนำํำออกจากค้วมตะเกียกตะกายผลจากวัตตารงสารท่านอ่ะจะมาเป็นเจ้าห้อยใจ จิ่งอื่นบอมพ่อสีมาเป็นเจ้าหัวใจได้พอได้พี่แะหน้าเมือ่อไหร่บอมในมาทำทาแบบกดพ้ายมุ่งล่วงลกพอได้กินขาวนมเขาเขาต้องการพลทุกในวัดตาสงสารต้องการชนะความลุกโกดลงของตูอีลี ว่ามนวาแต่ปากมีความคักของต้องการยังสั่นอีรีขันว่าแต่ปากก็ซื้อกตัวเจ้าของนี่ตัวเจ้าของก็ตัวผูอ้อื่นอีกคือกันแล้ว บ, บาปสองสัน่นบาบตัวเจ้าของอีกบาบตัวผู้อื่นอีกเขามีความประสงค์ถนัดความประสงค์เนอื่นเท่าก็บว่าในมีพอทีมาเป็นเจ้าห้อยไก คันห่าว่าเห็นโทษว่าคลุมเกิดเป็นทุกข์ข้าวก็ต้องเหลื่อมสายคลุมเกิดอยู่ขันห่าว่าเห็นโทษว่าคลุมแก่เป็นทุกข์ข้าวก็ยังเหลื่อมสายคลุมแก่อยู่ข้าว่าเห็นโทษว่าคลุมเก็บเป็นทุกข์ข้าวก็เหลื่อมสายกลุ้มเก็บอยู่กนตายก็คือกันอันนี้คือการวัด ซึ่งใดเห็นโทษพรพ่อซิ่งนั้นกรเว้นบ่ได้ใช้ทีมาบังคับก็ บ, บังคับนะคนห้าต้องพานโทษจะกันจังศิเคหลาบในโทษพานแกจังสิเข็คหลบับในแก่พานเก็บจังสิเคหลับในเก็บพานตายจังสิเก็บลาบเคศลับในตายพานลกูกพานโกด พันหลงสะกก่อนยังติเค็ดลาบใ น, หในดด่หลบนี่โกรธแนหลงมันต้องใอดี๋พันเมืดในยวพันทั้งพี่เกนหน้าเมด่อพระพุทธศาสนาต้องการให้พี่เกนหน้า เมื่อต้องการให้อนุโมทนาโดยพรท่านในพี่แกนหนาเมื่อต้องการให้คัดค้านโดยพรท่านในพี่แกนหนานิสมะกรได้นั่งเสยโยใชไข่ควรเชก่อนจึงทําเสียเลยดีกลัว ปัจจค้าสิทธิไม่เห็นในตนเองรสของสมาธิก็ดีรสของอภิปัชนาก็าดีมันเป็นรสจังใดสมาธิสิเข้าไปแบบใดกับมีรสชาติอันเดียวกันอภิปัชนาที่เข้าไปแบบใดกับมีรสชาติอันเดียวกันพิษว่าแต่ว่าเยีบค่ายต่างกันบ่หรือตั้งอยู่ในหน้าพวกที่รุดพ้นไปแล้วเป็นรสชาติอันเดียวกันเบดพวก ที่พอท่านรุดพ่นก็เป็นรสชาติอันเดียวกันมั้แต่ว่าหาไม่หลายระดับพอรุดพ่นเนี่ยคันใดขันโลกกี่หรือขันโลกกุตละสันไหนจะหางไม่หลายสันแต่ว่าแต่ละสันละสันหาไม่็รสชาติอันเดียวกันมั้ขันไฟไปทั้งห่งหอมสันอโ่อย จีสังขารหมาะไปเท่านัก็เกิดดับเท่านั้นจิตตาสังขารนึกไปเท่านัก็เกิดดับเท่านั้นแปลปวนเท่านั้นดับไปเท่านั้นอายุทนะผายนอกภายในเกิดดับเสมอกนหมดแปลปวนเสมอดับเสมอการมด เมตนาสัญญาสังขารมิญญาณเกิดดับเสมอการมดแปลปวนเสมอการมดเป็นอนิจจังเสมอการมดเหมือนนากองไสเป็นทุกขังเสมอการมดเหมือนนากองไสอันเป็นอันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเสมอการมดเหมือนนากองไสทั้งอดีต ด, ด้วยทั้งอานาคต ด, ด้วยทั้งปัจจุบันด้วย ทั้งไกด่ด้วย letter ทั้งไก่ด้วยทั้งปณิตด้วยทั้งยามด้วยทั้งละเอียดด้วยทั้งสุกคุมด้วยสุขคุมก็ปณิดก็ทิมีข่อหมายอันเดียวกันนั่นที่ละเอียดกับยาบกะทิมีข้อหมายอันเดียวกันนั่นที่อนละเอียดกับปณิดนะหันําข้เกรึ๊ดๆดอกนบวชคักข้าวบรรยัตละเอียดบางข้าวบรยัดปนิดก็เลยวาลายข่วมเผื่อว่ามันยั่งซื่อมห้ยั่งขมหม้ อพอเมื่เข้าไปใส่เบ็ดปู้ตกับมีผู้ย่งก็มีปูยาตาถวดเข้าไปใส่เมดน้ำตะกุ่นเข้าไปแล้วแตกสลายไปแล้วจะท่านไปยู่จงังใดเข่ากับวสามารถูดได้เข่าก็เหมือนกัน อของก็อก๊กเกมันอยู่ในกำของเจ้าของท่านั้นแหละพิษมันนผลของกลเจ้าของเพราะยังข่ามกำแล้วผลของกำเจ้าของมาได้พยังมีอุปท า, านอยู่พันธุ์านเพรมนผู้หลูผู้หลูเพรามันพัพมม น, พนิพ่าน ผหลุตั hopping, Somehow, ideas, it, time, ้งหากผูิพนตั้งหากผู้ทวงว่ากระติกน่ําเป็นกระติกน่ำกระติกหน่ำตั้งหากผู้ทวงว่าบอกโคบอกให้ว่าบอกโคบบอกให้บอกโคบบอกให้ตั้งหากผู้ทวงว่าอากาศกับ่าเป็นอากาศอากาศตั้งหาก มันบวชวงอากาศมีอยู่บ่มมีอยู่มันบวชวงอภินิพานอภินิพานมีอยู่มีอยู่แต่ห่างบวมีอยู่ในขันธะสันดานตัประตูพระท่านถึงนี่เป็นธรรมศาสตร์อยู่พี่เจ้านอบลงถาดดิน ก็ให้มันเป็นดินเสมอนากองไส้เบือ้อยะฟาวไม่เอานี่อื่นมาแซงขันพี่ยะนหน้าต้องให้เป็นทานนา้าก็ให้เป็นทานนา้ำมดเสมอนากองไส้เบื้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันอืขันพี่ยันหน้าท่านล่มก็คือกันให้เป็นล่มมืดเออดตอด พี่แกนาข้นตายว่าไก่สายมันเป็นตายมืดเอดเติดเสมอหน้ากองไส้ก่สายมันไม่ตายหน่อยตายไงตายไข่ตายหนาวหลายอ่านหลายเออพี่แกนี่พี่แกนาอันนี้จังว่าทั้งไก่มันเสมอหน้ากองไส้มืดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันพี่แกนากองทุกไก่มันทุกเมืดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งไก่ทั้งไก่พี่แกนาอนาถานว่ามันสัตว์ว่ามันบุคคล ตัว ต, วตวนเล่าเขาเป็นท่สักว่าถาดว่าถ้ำวักคันก็หามันเสมอหนากองไส้มืดพี่จะนาเปือ่อยหน้าเน่าสิก็ะหามันเสมอหนากองไส้มืดทั้งอดีตแนาคดพี่จะหนาคตนาคตายกระห้มันเป็นเสมอหนาองไส้มืดทั้งอดีตแต่หน้าคตในปัจจุบัน มันจังบอขาบรถมาแซงมันจังบ่สงสยัยหารุ่นกข็ขวใส่งางเอออยากใส่ย่มไรอ่ะของบหงจักบนว่างมันของบหงจักบนว่างมันใส่เงาหายุ่กับนั่นเมื่อท่านกับเวลา ที่จะน่ามักพระนิพพานมักผลนิพพานกันเสมือขนากองไส้มื่อว่ามียิงมีย้อนฝากผู้ลูกไปแล้วสีมาบัญญัติเอาผู้ลูกเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นผู้ลู้มันก็เป็นทิฏฐิบัญญัติมันเข่าขวางตัวบอมันว่าถือ ผู้รู่ถ้ารูดีรู่ชอบในสั้นต้นก็ลูดีรู่ชอบในทางปฏิบัติสื่อผู้ลู่ในสั้นปลายก็ลู่ว่ารู่ว่าผลสื่อแต่ผู้ลู่ผมบ่ามันพันนพานมันพานมาเป็นผู้ลู่ผู้ลู่ผมเป็นพันนพานถึงสีู่่ชอบปัา่วกับมเป็นพันนีพานพันี้พานต่างหา ญาณวิมุตต์สมัยญาณะรู้สอบญาณอันนั้นเป็นพระนิพพาน บ, อบอ่บ่ญาณก็นยังว่าญาณพระนิพาน พ, นพานก็ยังว่าพระนิพพานลินก็นยังว่าหลินลดก็ยังวา่ารดดบ่เนหลินลิ น, ลนบ่นดพุรุพระนิพานนพานบ่เป็นพระนิพพานพระนิพพานจางหา ผู้ลูว่าเป็นทุกข์กับว่ามันเป็นทุกข์ทุกต่างหากผู้หลูว่าจิตกับว่ามันจิตจิตต่างหากผู้หลูว่าธรรมกับว่ามันธรรมธรรมต่าหาก ถ่าว่าันรุดผลผู้หลูว่าทำ่ำมันท่ำไฟปฏิบัติท่ำไฟรุดผลมีตั้งห้บสลัดขึ้นเมดสลัดสลัสรรดขึ้นเมด ขั้นเขาไปเป็นเจ้าเป็นจอมแทรกแท่งยิ้มันใดวันหันก็เป็นศาสต์เป็นภบเพลินออกเก็บว่าปวดกำนัดยยิ้ในผู้ลูกผู้ลูกก็เป็นศาสกร์กลายเป็นศาสต์เป็นภบเป็นอวิชชาตันหาอุปทานคือกันบุญธรรมะสันสูงเพลิน ถ, ถือว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตถือว่าอนาคตเป็นตนเนตนอนาคตเธอผู้ลูกเป็นตนตนเป็นผู้ลูกถือว่าตนเป็นใจใจเป็นตนถือว่าตนเป็นถ้ำถ้ำเป็นตนอันมั่นนี่มีแต่อุปทานทั้งนั้นถือว่าเปิตนเป็นศูนศูนย์เป็นตนธรรมสันสูงไงธรรมะสันนิปัชนาสันสูงนไงม่นมันสันสมทะนไง ถือว่าตนเป็นอดีตอดีตเป็นตนถือว่าตนเป็นอนาคตอนุตอนาคตเป็นตนถือว่าปนตนเป็นธาตุดินถือว่าธาตุดินเป็นตนถือว่าตนเป็นธาตุน้ำถือว่าธาตุน้ำเป็นตนถือว่าตนเป็นตาตาเป็นตนถือว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนถือว่าเสียงเป็นตนตนเป็นเสียงถือว่าหูเป็นตนตนเป็นหูธรรมะสันตุงต้องห้ามเบด คันวัซกับวัสนะควบงโง่ยังเป็นอวิชชาอยู่ยังเป็นตัญหายังเป็นวัตจักรอยู่ยังเป็นอนันตลาปัจจัยอยู่ยังปฏิสนธิอยู่พอไปไปปฏิปฏิสนธิอยู่ในผู้รู้นี่วจัเป็นศาสตร์เป็นภพคือกันถ้ามะละเอียดนี่ คนเท้าขัมามะฮวงผู้ลู่ขันมีผู้มาตองผู้ลูกมันผู้ลู่น่ะมันกติเป็นพิษธรรมะสั่นสูงเหตุนิสันพระพุทธเจ้าจึงละอ่าสิไปสอนสัตว์ทั้งหลายว่าทำละเอียดมากละอ่าสางบา ร, รมีมาแล้วก็ดกกวเดียวกันยังมากลับมาละอ่าอยู่เพอเป็นธรรมเนียมของมอนุษย ออืย่าเถิดดอกบัวใกล้ศรบาลก็ไม่ยิวซุ่มดอกกุยแตงหน่ำก็แล้วไปซุ่มดอกสนมือหน่ำไม่ยู่อุคติตันอยู่วิปติจันอยู่เนยยะปะทะปะละมะซุ้มปะทะปะละมะซุมมีบทเป็นอย่างยิ่งจําเป็นหมาะไปกับกรรมและผลของกรรมซุมอุคติตันอยู่ พ่อยกข้อค อ, อขึ้นสแสดงก็จะเข้าใจคือดอกบัวตุ้มบัวสิบานเลยครับวิปฏิจตันยุ่พ่อแนะนำได้คือดอกบวับ ว, สบ เ, เ, ออบวเสมอน้ำเนื้อยนะก็บผู้พ่อแนะนำได้ วิปติจนตันยูนี่ยกหอค อ, อขึ้นแล้วอธิบายเข้าใจเนื่อยะุคติจั่ยูวิปติจันยูเนื่อยะพ่อแนะนำได้ปะทะปรามะมีบทเป็นยางยิ่งมีบทไม่บาดเทียบหน่อยเทียบไงอุกมากคือดอกบวัวหิเตยน่ามแต่์ทั้งหลายสัางบาลามีมาบลอกคือกันผู้ใกล้สิพนไปแล้วเขาี บัวกไก่สิบา น, นก็นมีลรวพุทธเจ้าจังเห่มาเทศสร้างซ้อนจะเป็นธรรมเนียมของเพื่นก็ต้องละอาจังสั่เช่นกอนมีภูมะอารารนาเหล่ามูฮ่าเกิดมานี่นสังคมมูฮ่าผู้ท่สังบารมีมาน่านเหล้วก็มีส่วนบทกรบร่อนบทหลังในศาสตร์นี้เรต้องเอามามาวา่า บางท่านพันสาาหน่อยก็เคยได้บวชมาแล้วเคยได้อบรมมาแล้วแต่ศาสตร์กรบารมีบางมาแล้วก็มีบางท่านก็ยิ่งพันสาหธายยิ่งปฏิบัติมานานก็ยิ่งเนี่ยอบรมมาแต่ศาสตร์กรนานก็นมีบางท่านกับพั น, นสาธายซื้อในศาสตร์เนี่ยพอกติมากเพมาพอกอาจเป็นได้ แต่ว่าถอดใจคว่ำต้องเคยเด้สร้างบาลมีมาห น, น้านชงกวนจริงหรมากมโซ่เปลี่ยนโซ่ตายถึงเพื่องนี้ไพยๆพกระไ